เอาแล้วทนี่ยเอาไปเดี๋ยไปทีมันจะรู้นี่เาแล้วมไม่มีสิ่งทำอะไรให้เธอขึ้นมาก็รู้ว่าเธอหนึ่งฝังใจเมือฉันได้ทำผิด ปลายใจใเธอลงไปก็รู้ว่าคงไม่มีทางได้เธอกลับม า, าวันต่วันทาวมาเพียงแค่คิดว่าเคยทำลายรักท อันนี้ก็ แต่คนที่เคยผิดผมที่เธอคงไม่ร้อการจะขอรบเธอกับหัวใจยกโทษได้มาม I'm j u a